ทรงแสดงอาทิตตะปริยายสูตรเมื่อประทับณตำบลอุรุเวลาพอสมควรแล้วก็เสด็จไปยังตำบลขยาศีศัก์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เคยเป็นชดินมาก่อนณนะที่นั้นทรงแสดงอาทิตตะปริยยสูตรมีใจความว่าหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจ ซึ่งเป็นอายตนะภายในเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพภะคือสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยกายธรรมะคือสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจซึ่งเป็นอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพภะธรรมะเป็นของร้อนวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางตาหูเป็นต้น เป็นของร้อนผัสสะคือความกระทบอารมณ์ทางตาเป็นต้นเป็นของร้อนเวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งเกิดจากสัมผัสทางตาเป็นต้นเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะร้อนเพราะความเกิดความแก่ความตายความเศร้าโศก ความพิรัยรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจและความขัดใจเมื่ออริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นได้เช่นนี้ย่อมเบื่อหน่ายในตาหูเป็นต้นซึ่งเป็นอายตนะภายในย่อมเบื่อหน่ายในรูปเสียงเป็นต้นซึ่งเป็นอายตนะภายนอกย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณมีความรู้อารมณ์ทางตาเป็นต้น ย่อมเบื่อหน่ายในผัสสะมีความกระทบอารมณ์ทางตาเป็นต้นย่อมเบื่อหน่ายในเวทนามีความสวยอารมณ์ที่เกิดเพราะจากักขุสัมผัสเป็นต้นเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำนัดเพราะคลายกำนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อพ้นก็มีญาณรู้ว่าพ้นแล้วรู้ว่าสิ้นความเกิดได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วได้ทำหน้าที่เสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกผลของการแสดงพระธรรมเทศนานี้ภิกษุพันรูปมีจิตพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานโปรดพระเจ้าพิมพิสารเมื่อประทับณตำบลขยาศีสะพอสมควรแล้ว จึงเสด็จไปสู่กรุงราชฤรษ์พร้อมด้วยภิกษุผู้เคยเป็นสดินพันรูปประทับอยู่นาเจดีซึ่งประดิษฐานไว้ดีแล้วณสวนตาล น, นุ่มพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคตพร้อมด้วยพรามขเรหืหบดีชาวมคตจำนวนส2บสองหนหุต1หนึ่งหนหุ่เท่ากับหนึ่งหมื่นได้สดับกิติศัพท์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จไป และไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในชั้นแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้อุรุเวลกระสปะประกาศความที่ตนละเลิกลทัทธิเดิมมาขอบวชว่ามีเหตุผลอย่างไรเพื่อทำลายทิฏฐิมานะของบุคคลบางคนก่อนแล้วจึงทรงแสดงอนุปุภภพิกถาคือแสดงเรื่องทานศีล ส, สวรรค์โทษของกาม และอานิสง์ของการออกจากกามโดยลำดับแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจว์4พระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งพรามคฤหบดี11อนหุดได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้บรร ล, ลุเป็นโสดาบันบุคคลพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลในการที่ทรงสมพระราชประสงค์ห้าประการคือขอให้ได้อภิเศกในราชสมบัติ ขอให้พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่แว่นแควนขอให้ได้เข้าไปนั่งใกล้ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมและขอให้ได้รู้ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแล้วกราบทูลสันเสริญพระธรรมเทศนาประกาศพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดพระชนชีพแล้วส่งอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยและฉันในวันรุ่งขึ้นในวันรุ่งขึ้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเสวยณราชนิเวศพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เมื่ออังคาดคือเลี้ยงดูเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารได้ส่งหลังน้ําจากพระเต้าทองถวายเวรุวันป่าไผ่แด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุก พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้วเสด็จกลับทรงปรารกเหตุนั้นจึงประทานพระพุทธานุญาตให้มีอารามหรือให้มีวัดได้สารีบุตรโมคลานะออกบวชสมัยนั้นสัญชัยบริพาชกอาศัยอยู่ณกรุงราชครืพร้อมด้วยบริษัทปริพาชกหมู่ใหญ่ จำนวน250คนและสมัยนั้นสาวรีบุตรและโมคลานะประพฤติพรหมจันทร์ในสำนักสัญชัยปริภาชกต่างทำกติกากันว่าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนจงบอกแก่อีกคนหนึ่งสาวรีบุตรได้เห็นพระอชชัศชิเข้าไปสู่กรุงราชครืเพื่อบินธบาตมีความเลื่อมใสในความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยของท่าน จึงรอจนได้โอกาสก็เข้าไปถามถึงหลักธรรมในศาสนาที่ท่านบวชท่านกล่าวหลักธรรมเพียงย่อๆให้ฟังว่าทรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุรัตถาคตส่งแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นสาวรีบุตรได้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและนำมาเล่าให้โมคลานะฟังโมคลานะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม จึงพากันไปลาปริภาชค250หคนเพื่อจะไปบวชในสำนักพระบรมศาสดาแต่ปริภาชคเหล่านั้นขอไปด้วยจึงพร้อมกันเปลาสัญชัยผู้อาจารย์สัญชัยขอให้อยู่ช่วยกันบริหารหมู่คณะถึงสามครั้งแต่สาวรีบุตรโมคลานะไม่ยอมคงลาไปพร้อมทางปริภาชคอีก250หคนสัญชัยเสียใจ จึงอาจียนเป็นโลหิตเมื่อไปเฝ้าทูลขอบวชในพระพุทธศาสนาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้รับพระพุทธานุญาตให้เป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาครั้งนั้นคนสำคัญชาวมคตออกบวชประพฤติปรมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันมากคนทั้งหลายจึงพากันติเตียนว่าเป็นปฏิปทา ที่ทําสกุลวงให้ขาดศูนย์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแนะนำให้พิกษุทั้งหลายโต้อตอบว่าพระองค์แนะนำโดยธรรมไม่ใช่โดยอาธรรมเมื่อมนุษย์ทั้งหลายจำนวนต่อคำว่าธรรมแลหาทางจับผิดที่ว่ามีอะไรเป็นอาธรรมไม่ได้ก็พากันเลิกติเตียนภายในเจ็ดวัน ทรงอนุญาตให้มีอุปัชายะสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไม่มีอุปัชายะไม่มีผู้ให้โอวาดสั่งสอนก็นุ่งห่มไม่เรียบร้อยมีอากาบกิริยาไม่เหมาะสมเที่ยวไปบินธบาตเขากําลังบริโภคอยู่ก็ยื่นบาตรเข้าไปเหนือของบริโภคของขบเคี้ยวเป็นต้นบางก็ขอแกงบ้าง ขอเข้าสุขบ้างด้วยตนเองมาฉันบ้างก็ส่งเสียงสูงเสียงดังในโรงอาหารเป็นที่ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเหตุนี้จึงทรงอนุญาตให้มีอุปชายะให้อุปชัยะตั้งจิตในสัตทธิวิหาริกเหมือนบุตรให้สัตทธิวิหาริกตั้งจิตในอุปชายะเหมือนบิดาทรงสอนวิธีถืออุปชายะ ซึ่งต้องเปล่งวาจาด้วยกันทั้งสองฝ่ายสำหรับอุปัชยะแปลตามสับว่าผู้สอนหมายถึงผู้บวชให้และสั่งสอนสัทธิวิหาริกแปลว่าผู้อยู่ด้วยหมายถึงสิทธิที่อุปัชยะบวชให้ทรงบัญญัติอุปัชายาวัด ครั้นแล้วทรงบัญญัติอุปชัยวัตรคือข้อที่สัต ธ, ธิวิหาริกจะพึงปฏิบัติชอบในอุปชัยยะมีการรับใช้การปฏิบัติตนต่อท่านการช่วยจัดสิ่งต่างต่างให้ท่านประมาณไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อทรงบัญญัติสัตวิวิหาริกวัตรครั้นแล้วทรงบัญญัติสัต ธ, ธิวิหาริกวัตรคือข้อที่อุปชัยยะ จะพึงปฏิบัติชอบในสัตถิวิหาริกมีการสั่งสอนการสงเคราะห์ด้วยบาทจีวรการพยาบาลเมื่อป่วยไข้การทำอะไรต่ออะไรให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อเช่นกันทรงปรับอาบัตอนุ ญ, ญาตให้ประนามและขอขมาครั้งนั้นสัตถิวิหาริกไม่ปฏิบัติชอบในอุปชายยะเป็นที่ติเตียน จึงทรงบัญญัติพระวินัยปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่สัตทธิวิหาริกผู้ไม่ปฏิบัติชอบในอุปชายะแม้เช่นนั้นก็ยังมีสัตทธิวิหาริกที่ไม่ปฏิบัติชอบจึงทรงอนุญาตให้อุปช้ายะประนามคือไล่สัตทธิวิหาริกด้วยแจ้งให้ทราบด้วยกายหรือวาจาได้สัตทธิวิหาริกที่ถูกไล่แล้วไม่ขอขมา จึงทรงอนุญาตให้ขอขมาและปรับอาบัตทุกกดแก่ผู้ไม่ขอขมาสัตธิวิหาริกขอขมาแล้วอุปชายะไม่ยอมยกโทษให้จึงทรงอนุญาตให้อุปชายะยกโทษให้อุปชายะไม่ยกโทษให้ก็มีสัตธิวิหาริกจึงจากไปบ้างศึกไปบ้างไปเข้ารีดเดียรถีบ้างทรงทราบ จึงทรงบัญญัติพระวินัยปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่อุปชัยยะที่สัตธิวิหาริกขอขมาแล้วไม่ยอมยกโทษให้ทรงวางวิธีประนามให้รัดกลุ่มสมัยนั้นอุปชัยยะประนามหรือขับไล่สัตธิวิหาริกที่ปฏิบัติชอบไม่ประนามสัตธิวิหาริกที่ไม่ปฏิบัติชอบทรงทราบ จึงทรงบัญญัติว่าสัตว์ทวิหาริกที่ปฏิบัติชอบไม่ควรประนามผู้ใดประนามผู้นั้นต้องอาบัตทุกกฎสัตว์ทวิหาริกที่ปฏิบัติไม่ชอบจะไม่ประนามไม่ได้ถ้าไม่ประนามต้องอาบัตทุกกฎครั้นแล้วจึงทรงแสดงองค์ห้าของสัตว์ทวิหาริกที่ควรประนามมีขาดความละอายขาดความเคารพ เป็นต้นแล้วส่งแสดงองค์ห้าของสัตวิวิหาริศที่ไม่ควรประนามมีประกอบด้วยความละอายความเคารพเป็นต้นสัตวิวิหาริกที่ควรประนามแต่ไม่ประนามก็มีโทษถ้าประนามก็ไม่มีโทษส่วนสัตวิวิหาริกที่ไม่ควรประนามถ้าประนามก็มีโทษถ้าไม่ประนามก็ไม่มีโทษ